จึงได้พูดและเข้าใจกันว่าสิ่งที่มาปรากฏให้เห็นก็คือวิญญาณของคนคนนั้นหรือสัดตัวนั้นนั่นเองทั้งนี้ก็เพราะคนทั่วไปไม่ทราบว่าวิญญาณสามารถที่จะสร้างกายเนื้อหรือกายทิพย์ขึ้นมาได้ซึ่งสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมานั้นไม่ใช่ตัววิญญาณเพราะตัววิญญาณแท้ๆนั้นเป็นนามธรรมาเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า ทวรังขะ ม, มังเอกจารังอสรีรังคู่หาสยังเยจิตตังสัญเมสันติโมขันติมาระพันธนาจิตนี้เป็นธรรมชาติไปสู่ที่ไกลได้ไปแต่ผู้เดียวคือหมายถึงเกิดทีละขณะหรือทีละดวงไม่มีสรีระอาศัยอยู่ในคู่หาคือร่างกายคนเหล่าใดสำรวมจิตได้คนเหล่านั้นย่อมพ้นจากบ่วงของมาร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 ตราบใดที่ยังไม่ถอนความเข้าใจผิดอันนี้ออกก็จะทำให้เกิดความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องวิญ ญ, ญาณไม่รู้จักสิ้นสุดและทำให้เป็นสัตตาทิฏฐิได้ง่ายสัตตตาทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิประเภทหนึ่งคือการเห็นว่ามีตัวตนเป็นอัตตาเที่ยงแท้ถาวรและตราบใดที่ยังละสัตตตาทิฏฐิไม่ได้ก็จะบรรลุมรรคผลและนิพพานไม่ได้ หรือพูดอีกนายาหนึ่งจะเข้าใจเรื่องวิญญาณอย่างจำแจ้งถึงที่สุดไม่ได้